เชิญทุกท่านมาฟังกันต่อชาวพุทธเราเนาะอย่าตึงหนายนี้แม้พระพุทธเทองค์ปรินิพ า, านนาฏเปียแต่ก็ยังมีสถานที่เป็นองค์คนนะด้วยจิตนอกน้อมพร้อมกมกลาบกลานสังเวชนิยสถานทั้งสีต่ตำบลไม่เสียชาติ กลาไ้ อยู่สถานที่ตัดสรุ้ของพระบรมศาลาสถานที่ทรงแสดงประทมเทศนาสถานที่พระพุทธวิดาปลินิพพานหลักฐานมีชาวพุทธหญิงชายจงได้ารตรนักร่วมมือปกปาก ท่ศาสตร์ยิ่งใหญ่แหวมุดธทวิหารเก้าหกศูนหยุดพักใจท้าเจ็บป่วยไข้มีคลินิกพยาบาลพระเดชพระคุณช่วยคำจุนาศาสนาสูนรวมศาสนาไทยเดียเน เราทำ